เรียกว่าฟุ้งร่านพอไม่มีอะไรจะคิดก็เหมื่อลอยไม่รู้ตัวว่ากำลังมีเรื่องใดปรากฏอยู่ในหัวบางครั้งไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากระทำการหรือตัดสินใจเลือกอะไรไปเพราะเหตุผลชนิดไหน <c oughs> การปล่อยให้ฟุ้งสลับกับเหมื่อย่างปราศจากเครื่องเกาะของสตินั้นคือความสูญเปล่าและนำมาซึ่งทุกข์อันไม่อาจพยากรณ์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 ฉันจึงขอให้ระบายลมออกยาวและหายใจเข้ายาวเป็นระยะๆะะเพียงจับสังเกตด้วยตาเปล่าว่าลมหายใจใครกำลังเข้าหรือออกกำลังยาวหรือสั้นเพียงสักสองสามระลอกลมแค่นั้นเราก็จะเริ่มเห็นความรู้สึกของเขาแล้วว่ากำลังเป็นสุขหรือเป็นทุกข์กำลังหดหูหรือฟุ้งซ่านคลื่นจิตที่มาประกอบพร้อมอยู่กับแต่ละลมหายใจ